ข้อสังเกตข้อที่สองันทะเป็นองค์ธรรมฝ่ายกุศลดีงามไร้โทษเป็นคุณประโยชน์เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจแต่ฉันทะจะเป็นคุณประโยชน์ก็ให้เกิดผลดีเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงและคุณค่าของสิ่งที่มันเกี่ยวข้องเพราะฉันทะอาศัยโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นบุพ ภ, ภาคของปัญญา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 คือจะต้องฝึกโยนิโสมนสิการรู้จักคิดตามสภาวะและสืบค้นเหตุปัจจัยให้ก้าวหน้าไปในความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าความจริงแท้เป็นอย่างไรอะไรมีคุณค่าแท้จริงแก่ชีวิตอะไรเป็นอัตถะคือตัวประโยชน์แท้ที่ควรเป็นจุดหมายและก้าวหน้าไปในกุศลธรรมโดยเกิดความไฝ่รู้ไฝ่ธรรมคือธรรมะรักความจริง